ตอนนี้ไปจะได้อธิบายทำมาสู่กันตั้งขอส้นชวนเสวนาพวกเรารที่ได้เกิกขึ้นมาเป็นมนุษย์พระพระเจ้สาศาสนา เป็นของอยากอันหนึง่งเพราะเหตุว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากากว่าการเกิดเป็นสัตว์สิริสารเราจะมาสานิฐานได้เรื่องของมนุษย์เรามีจำนวนน้อยไม่มากเหมือนสัตว์สิรสาร เกิดนั้นการเกิดมเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าจิิโฉมนุษย์ปริลาโภเป็นลาบอันยิ่งใหญ่เทวสารถ้ามนุษย์เราสามารถที่จะก่อร่างสร้างเอาซึงคุณงามคาดีได้ไม่เหมือนสัตวิลาสารเป็นพัฒนาบุคคลคือบุคคลสมควรแก่มากแวก่ผล พรนิพพานส่วนสัตว์ธิพพ า, านเป็นอัครัตา์คือสัตว์ที่ไม่สามารถจะบำเพ็ญคุณงามความดีได้ต่อไปเศรษนั้นพวกเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จึงได้ว่าคือว่ามีโชคลาภกว่าพวกสัตว์าานิพพาร แต่เธอว่าการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มีววัยนากาบริสุทธิ์บริบูรณ์แลว้วต่อตามหากเราไม่ก่อร่างสร้างเอาคุณงามความดีก็เกิดขึ้นมีขึ้นไม่ได้เหมือนกันกับเรามีไรมีมาทางแาไม่กระทำให้เป็นสาระประโยชน์ ไรานาโกเมษาเมื่อที่จะบำรุงความสุขหรือเปีดผลให้แกเราได้การเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันเกิดนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเรามีอ ว, วัยวะบริสุทธิ์บริบูรณเราพึงสมเหยกถึงเรื่องมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติก็มีมนุษย์นี้บัตก็มีเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน เนื่องโดยคุณธรรมคุณธรรมของมนุษย์พระพุทธเจ้ากล่าวว่ากุศลกรรมมาบททั้งสิบกุศลกรรมมาบททั้งสิบก็ได้แก่กายกรรมกสามราจีกรรมสีมโนกรรมสามพูดที่เคยอ่านตำลับตำราก็่อจะเข้าใจว่ากายกรรมสามมโนราจีกรรมสีมโนกรรมสามคืออะไรแต่ผู้ที่ไม่ได้ผ่านตำราไม่ได้ศึกษา ก็ยอมในเข้าใจกลายกรรมสามขันไม้ถึงกลายใน่ฆ่าสัตว์ไม่รับทรับไม่ต่อชิตจิตในสามวิจีกรรมสี่ได้แก่ในพูดป ด, ดพูดต่อเสียพูดทำหยาบพูดสำราญเท่เมโนโอกรรมสามเราได้แก่ในโลกอยากได้ของเขาในเดียเดเบียนเขา ไม่เห็นผิดจากคำลองคลองคำเรียกว่าโมโนกรรมสามทั้งสิบอย่างนี้แหละเป็นเื่นงเทของมนุษย์มนุษย์เมื่อมีมเคือ่องเทเทกูจนกรรมาบทผิดมนุษย์ผู้นี้แหละผู้ที่จะปฏิบัติเป็นอาทัพ เ, เป็นทัพทัหรือเป็น บุคคลที่ต้องควรแก่มรควลนิาลทานหาขาดกุศลกรรมบวชทั้งสิบนี้ก็ไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะสามารถก่อล่างสร้างเอาคุณงามความดีได้เนี่อว่ามนุษย์อาขับเป็นมนุษย์ในสมบูรณ เรื่องมนุษย์สมบัติจึงเป็นของสำคัญในอันที่จะจะ่ทำบาเพ็ญความดีให้ทวีคูณขึ้นไปได้เกิด น, นั้นวันนี้พวกเราจึงเป็นพายกอุบาสกอุบาสิกาได้พากันรละจิตการบ้านเรือนมาสู่ธรรมศสัพพาสาราลงธรรมนี้ เพื่อรักษาศีลของตนนั่นอย่างหนึง่งเพื่ออยากจะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั่นอีกอย่างหนึง่งนี่คือเป็นกําไรที่จะทำใจของเราให้จเจริญก้าวหน้าเพราะเรื่องการรักษาศีลเป็นสิ่งที่จะทำ ากายของตนและวายจาของตนให้ปกติจุดข้องตนนั่นแหละเป็นผู้รักษากายวายาจเมื่อหาเราไม่รักษาจะต้องทำไปตามเรื่องของที่หลวดปัญหาทำให้เกิดทท ค, ความเสียหายต่บุคคลหรือตัดไต่บ้านเราการรวงโจนผิ เกิดการรักลอีฉถ้าหารผู้ึ้งอนิสงฆ์พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามีอนิสงฆ์มากกว่าการให้ทานคนที่ให้ทานไม่สามารถที่จะป้องกันอบายภูมิได้จะทําทานมากม า, กายกายปองสัตเท่าไรก็าตามถ้าหารขาดฉีดลงไปแล้วไม่สามารถที่จะป้องกันเรื่องอบายภูมิ คือนรกเปรตจิลกตายแต่จิละานได้ข้อนี้พวกเราก็พอจะเข้าใจกันเพราะการให้ทานอย่างเดียวแต่ถ่าว่าตายวาจายังประทุกชั่วชาลามกเป็นต้นว่ายังถ้าเขาขโมยเขาอยู่เหยาบเรียนเขาอยู่ อาศัยการปล้นการกระดมได้มา่อเสียเลีอแข่ให้ทานแสบที่สู่สามมาเนินหรือลูกลูกห ล, ลานญาติาของคนไปทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าการให้ทานเพราะการเสียเสียจา์สมบัติอของคนให้แก่บุคคลผู้อื่นแต่เทวดาศีลไม่รักษามีการ หลวงเกิ น, นขีนตาเนาและอาจินนาตาเนาสุมิศาจางหรือเรื่อยไปในขีนทั่วไปไม่มีการสังบรรกษาแต่ตาให้ทานให้ทานได้แต่ตารักษาขีนไม่มีคนที่ไม่มีขีนอาจสามารถข่าอีดีโบยบิดามันดาโกดั เพราะใจขาดเทวโอดตะปะขาดความลัวบากเกลียบาด่าตีทีทามไปมีแต่ชื่อว่าคนไม่มีศีลคนไม่มีศีลอย่างนี้แหละจะให้ทานกับเท่าไหร่จะป้องกันเรื่องอบายคุมคือนรกใบไม่ดักเกิดนั้นเรื่องของการให้ทานที่ท่านกล่าวว่ามีอานิสงก็ดิน แบ่หากไม่สามารถิดอบายยากูในบาส่วนการรักษาศีลอนิสงศีเลในสุขจริงยันติศีเลนโปกองสำปชาศีเลอนิพุจริงยันติเป็นเรื่องที่ติดสบายยากูได้แน่นอนเพราะเรื่องของศีลถ้าหากเรารักษาการจริงจัง เสมอชีวิตของเราศีลนั่นแหละจะเป็นเครื่องทำให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นศีงท่านจึงว่าปกติตามปกติของตายของวาจาไม่ไปทำชั่วช้าลามกไร้คือแบบเป็นผู้ที่มีศีลขางแหวาไม่รักษา ทางปกติก็เกิดขึ้นไดน้ใครเล่าเป็นผู้รักษาก็คือใจของเราเห็นบ า, าปการแต่ทำไปทางกรรมชั่วกว่าตัวของเราเองจะเป็นถู้ได้รับผลชั่วตอบแทนไม่ใช่บุคคลผู้อื <laughs> ่นเมื่อเราเห็นไปจากชัดเจนว่าเราทํากรรมชั่วลงไปไม่มีใครที่จะมาเอาไว้ผลชั่วนอกจากตัวของเราเองอย่างนั้น เป็นที่ชั่วทั่วไปเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำได้เพราะเราเห็นว่าชั่วจะเป็นของของตัวพยายามรักษาไม่เหตุกายวาจาไปทําไปพูดเจนกายวาจาของสนปกติไปอยู่สถานที่ใดไม่มีใครจะตําหนิติโพดว่าเราทําชั่วหรือพูดชั่ว ผลปัจจุบันในการรักษาศีลก็มีผู้หนึ่งเชื่อใจเพราะเป็นผู้ถีมีศีลมีสัก์ในตัวของตัวผลต่อไปในการรักษาศีลก็ไคือว่ามีความสุขเกิดในพบน้อยพพใหญ่จะมีความสุขกายสุขใจเพราะ อั น, นาจศีมจึงเป็นรักษาไว้ในอนิสงส์เกีนน้ินศีลจึงเป็นของสำคัญเ ป, เ, บบเป็นทาาแหกเกียรติบันไดก็เป็นขั้นที่สองสุงสูงขึ้นกว่าการให้ทางการรักษาศีลทางหกสวดเึ้งยากก็ อ, อยากสำหรับจิตใจของเรา มันเคยทั่วช้าลามกมามันเคยจะทำความชั่วมาอยากจะให้ตายมันทำอย่างนั้นอยากจะพูดอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องขาดการเข้มอกเข้มใจเจอบุคคลผู้อื่นสบบอี่นหากพูดทิ้งทางเมื่อการรักษาศีลเมื่อต่การให้ทานเพราะการให้ทานเราจะ ต, อนนต้องมีสมบัติพัฒนาฐานเท่าของสิ่หนึ่งสิ่งใดที่้ก่อน ยิงจะให้ทานคนอื่นได้ส่วนการรักษาศีลเรามีกายมีบาจามีใจรักษาได้ทั่วไปคนอดคนจนเท่าไรก็รักษาได้เพราะศีล ม, มีอยู่ที่กายบาจาร์ใ น, นใจของเราไม่เหมือนการให้ทางยิ่งกว่าเป็นของง่ายสําหรับผู้ที่ต่างหน้าต่งางตาอยากจะ รักษาถิงนจังเป็นข้องง่ายกว่าการให้ทานเพราะไม่ได้ขวฝายหามาจากสถานที่อื่นเกิดขึ้นจากการระวังสังบอกของเราเองตัวส่วนอ น, นุสงสูงกว่าการให้ทานกะอีกสามารถป้องกันเรื่องอบายะซูมได้เกดนั้นการที่เราเข้ามารักษาถิ่นตัเพือนก็เหนื่อยถงถิ่นต้องทน ว่าตามธรรมารักษาศีลในวันนี้ศีลของเราบริสุทธิ์บริบูร์หรือไม่หรือขาดตกบกช่องข้อไหนใหนท้ทีนี้ที่จารณาดูเมื่อเรารู้ว่าศีลของเราสมบูรณ์ตามข้อบัญญัติของพระพุธทธเจ้าที่บัญญัติไว้ไม่ได้ล่วงเกินไปโดยตารใจาาเร า, าก็ มีความยีนอดในจิตในใจของเราเพราะเรามีสมบัติศีลถ้าหาบกช่องข้อไหนเราก็ควรสังบรระวังต่อไปเพื่อให้ศีลขอ้อนั้นสมบูรณ์ขึ้นนี่แหละเรื่องของการรักษาศีลหากจะว่าเป็นของยาก็กเพราะจิตใจของเรามันไม่อยาก ทำบางส่วนถ้าหาพูดทิ้ง่ายก็ง่ายเอาเยอะเกิเนเพราะม่ไ ล, ลงทุนแม้แต่ตะตางเดียวเรามีอยู่ในตัวของเราพูดที่ตั้งหน้าอุตสาห์พยายามจะจิตการบันเดือนเข้ามาสู่วัดวาอาวะตั้งหน้าต่างตารักษาศีลได้อย่างนี้เป็นของหายา เพาะจิตใจของเราระเหงเล่อดอยากจะได้อันนั้นอยากจะได้อันนี้ทําตั้งแต่วันเกิดมาจนอายุแก่ถึงห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีก็ยังไม่มีเนื้องพอเรื่องท้องใจแล้วจะทําให้พอเสียก่อนจึงจะให้ทานรักษาศีลจำเริญเมตตาภาวนายอมเป็นไปในบ้างเพราะใจไม่มีเนื้องพอ มันพอไม่เพียงเรื่องของโลกได้มากเท่าไรใจก็ยิ่งกะเมิดยากจะได้มากกว่าเขาเพิ่ไปแต่ผลที่สุดตายของเรามันเป็นของไม่กีรังอย่างยืนมันเป็นของแปรปวนกรากของความแก่แก่ไปทุกวันทุกเวลาตายของเราทํางานอยู่วันอย่างขำเพลินยังรุ่ง มันจะต้องสมรู้ท่วมสมไปเป็นธรรมดาแม่แถวเครื่องเหล็กเป็นรถหรือเคื่องจากเครื่องจนคนใจต่างๆซึ่งเป็นของแข็งแข็งแต่ถึงขนาดมันก็ยังฝึกหลอเมื่อเราใช้มันหยุดไม่ถอยมีเรื่องของตายของเราก็เหมือนกันนอนอยู่มันก็ยังหายใจอยู่หัวใจมันยังทํางานอยู่ไม่มีวันมีเวลาที่จะพักผ่อน ทำงานอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเกิดนั้น เ, น, เนเรื่องของกายจึงําคาจะลาไปทุกวันทุกเวลาเมื่อเรื่องของตายําค่าไปอย่างนั้นส่วนความอยากของใจอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องของตายตนว่ามันามําค่าจะลาหรือมันจะแตกสะลายไป เลยเอาใจไปคิดตังแต่เรื่องอันอื่นคุที่เราได้มามี่มกูส่วนสมาบทที่ได้น่าเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยไม่รักษาคุณเดิมไว้กําไรที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อจะก่อลั้งสร้างเอาซึ่งทานศีลภาวนาก็าเลยลืมไปอีกหลงไปอีกอยากได้แต่สมบัติพัฒฐานอันอื่นซึ่งเป็นของจอมปลอม คือเป็นของไม่แน่นอนเมื่ออยากได้อย่างนั้นไม่คานึงคำนวณถึงชีวิตชีวาา้องตนเลยแสวงหาแต่สิ่งที่ตนอยากได้ทิ้งคราวทิงสมัยเรื่องของร่างกายจะแตกสลายไปจิตใจก็เลยคล่องคล่องอยุ่ิในสิ่งที่ตนได้มา เศดนี้แหละที่จิตใจมันคล่องเพราะเราไม่ได้ํำระาสาสารเข้าใจว่าของเหล่านั้นเป็นของของเราถึงหวงกันเมื่อตายไปยินเคยได้ยินอยู่ในที่ต่างๆว่าเป็นเศษเป็นผีเพราะจิตใจในมีศีลธรรมประจําตัวในเมื่อเวลาเป็นมนุษย์อยู่ก็ไม่ได้ที่นี่ที่จะเรนีนาว่าสมบัติส่วนนั้นเป็นของอาศัย ชายตัวการตัวเวลาตายไปก็เลยหล่องจิตคล่องใจว่าเป็นของของตัวเพราะเราแม้แต่ที่นี้ที่เจรนาแย่งถายแน่นอนลงไปแล้วอะไรที่มันแน่นอนจริงจังนอกจากคุณงามความดีที่เราก่อร่างสร้างเอาเท่านั้นสมบัติทัศฐาน เป็นของใช้สำหรับตายมีชีวิตอยู่ได้แต่เมื่อมีชีวิตยอยู่เมื่อตายไปสมบัติเหล่านั้นไม่สามารถที่จะติดตามจิตใจของเราไปได้หากเราที่คิดวิจารณ์แน่นอนลงไปเห็นว่าชีวิตกายใจของเราเป็นของไม่เที่ยงยจริง การกะทำบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึง่งซึ่งพวกเราทุกคนจะต้องสนใจจะทำเอาไว้เพราะกาเรเดินทางต่อไปของเรายังมีอยู่ถ้าหากเราขาดระบียงกาเรเดินทางของเราก็จะต้องลำบากสัมใดการเกิ ด, ดตายต่อไปของเราหากเราจะมามัวเมากับสมบัติส่วนอื่นอยู่ โดยในที่นี้ที่จะรายงาถึงว่าการจะเกิดในทางหน้าของเราได้จะทำบำเพ็ญคุณงามความดีประจำตัวไว้อย่างไรไม่เด้ดแเหนือในชีวิตตั้งแต่เมื่อมีชีวิตเป็นอยู่เราก็เลยไม่มีเดบียงในการที่จะเดินทางต่อไปทำให้เราได้รับความทุกข์ยากลำบากเกิดนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ เป็นของยากยากเพราะเราจะบำเพ็ญตัวของเราให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้และจะทำชีวิตของเราให้ดีดีเติดขึ้นไปให้เปล่าหน้าขึ้นไปหายากหนักยากหนาเพราะเกิดปัญหาขักดันอย่างของจิเของใจมุคคลทั่วไปเป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะการ เราไม่แต่ที่นี้ที่เจรณาธรรมของพระพุทธเจา้าเข้าครอกจิตปอกใจของเรานลยลุ่มหลงไปในเรื่องอันอื่นยิ่งกว่าถิ่นกุศลธรรมหาเราที่นี้นที่เจรณาธรรมเข้าครอกจิตใจอยู่บ่อยๆเรื่องที่เกิดปัญหามาหน้าทุกขิที่จะ มีขึ้นในจิตในใจของเรามันก็น้อยไปเพราะใจของเราถูกเรื่องอำ น, นาจของธรรมเข้าไปรักษาเรื่องของเสียงที่อธิบายมาจ้าเป็นของที่มีคุณค่าสารประโยชน์เป็นบันไดขั้ทนที่สองซึ่งสูงขึง้นไปเรื่องของทางก็ดี แต่เรื่องของการภาวนาเป็นขั้นที่สามเพราะเรามีตามีบาจามีใจทางศาสนาก็คือทาอนศีลภาวนาบันไดสามขั้นนี้แหละเป็นของสําคัญหากเราจะข้ามไปเสียเราจะขึ้นตงแต่ขั้นเดียวก็ไม่ถึงที่อยู่ที่อาศัยได้เราจะขึ้นสองขั้นก็เหมือนกันแตาขึ้นถึงสามขั้นจึงจะถึงที่อยู่ที่อาศัยทัง้งส่วได้สะดวกสบาย ขันที่สามได้แก่การภาวนาการภาวนาคือการต้งรวมใจามการกำหนดใจการตั้งใจของตนให้แน่วแน่จิตใจของเราทุกคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมย่อมส่งกระแสไปตามเรื่องของโลกเมือ่อถูกดับดแป ให้เขาเข้าสู่เรื่องของธรรมจึงเป็นของลำบากเป็นล้องยากการภาวนาคือการดัดแปลงจิตใจที่มันเคยไร้เหงื่อเล่อนจะเป็นเรื่องบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆก็ตามบริกรรมเอาจริงๆงจังๆอารมณ์อันอื่นจะมาผ่านผิดผ่านใจยื้อชั่วอย่างไรเรามาต้องไปติดตามกำหนอดอยู่ในพุทธโธของเรานั่นแหละเพิ่มจิตใจของเรา เป็นพุทธโธพุทธโธเป็นจิตคำว่าพุทธโธอย่างไรใจจะเป็นอย่างนั้นนึ่งอยู่ในความรู้ที่ว่าพุทธโธนั่นแหละจิตเมตเ่อโดยส่งสาะแสะออกไปอันอื่นรวมจุดอยู่กับพุทธโธลายอีบาเราบริกรรมบริกรรมเป็นเราเราเป็นบริกรรมได้เมื่อเรายัง ลดได้ล้วพุทโธพุทโธอยู่เราไม่ส่งกระแสออกไปที่อื่นจนเมื่อจิตพอต่อพุทโธจะเข้าสงบลงรวมจิตรวมไม่เหมือนจิตสงบจิตสงบหมายถึงจิตไม่คิดอารมณ์ อยาอารมณ์ชั่วช้าลามกอารมณ์คีอเป็นอาธรรมไม่ได้มีโลภมีโกรธมีหลงเราเคื่อจิตสงบจิตสงบเพมันสงบจากบาปกรรมที่ชั่วช้าลามกมาทินิตพุทเรนาลว่มหรือบริกรรมพุทโธพุทโธเมื่อจิตย่องไปสู่พุทโธนั่นแหละพุทโธเป็นจิตจิตเป็นพุทโธได้ชื่อ ว, ว่าจิตสงบ เมื่อมันสงบมันจะสั่งรวมลงไปาการรวมของจิตเมื่อมันรวมลงไปเราจะละลึกพุโทโธก่อนละลึกเมย์ได้เพราะเหตุใดเพราะใจเป็นหนึ่งเหยื่อไหวเป็นเอกับกตามีความเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นไมาสายแสบไปสู่อารมณ์อันใด นิ่งอยู่เผ้อยู่แต่ควารู้ซึ่งเรียกว่าสติมีอยู่พอเมื่อจิตมันถอนจากเรื่องที่มันรวมลงไปขึ้นมาจึงจะมาและเลิกได้ในเรื่องของพุทโธหรือเรื่องของการที่มีที่รินาหรืออารมณ์อื่นได้มีเรื่องว่าจิตรวมจิตสงบคื่อสงบจากเรื่องของความ เพื่อชาลามกจิตรวมเป็นอีกอั น, น, นหนึ่งกางรรวมของจิตเป็นเหตุให้ได้กําลังทางการที่นิพพยานาต่อไปเหมือนกันกับตายทของเราที่เคยจะทํำางานตลอดวันตลอดเวลาพอเราได้พักผ่อนหลับนอนเท่านั้นแหละกําลังของกายของเราก็จะเกิดขึ้นอีกท่าฮะ เราทําอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตายท่องเราไม่ได้พักผ่อนหลับนอนตายท่องเราก็บอบช้ำทำการทํางานไม่ได้สมเหมือนเพราะร่างกายไม่อานวยให้จิตใจท่องเราตึ่งใช้กันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งใหญ่โตละหัหฐานอายุกีปีมาแล้วแต่ไม่เคยพักจิตพักใจจิตใจไม่เคยลงไม่เคยรวมสักที เสี้ยดนี้อ่ะการที่นิพพจรณญนาอะไรที่ไม่แฉมใส่คัดเก็บเมื่อเรามีการพักหยทดพักใจคือการลงรวมของใจได้จิตใจอันนั้นแหละจะมีกําลังสามารถที่นิพพย์จเจรณญนาอะไรแฉมแจ้งคัดเก็บเป็นประจักษ์ในเหมือนเราขาดเอาเดาเอาด้วยสัญญาอารมณ์ของเรา คาจิบพักได้แน่นอนลงไปเป็นจิตที่มีกำลังสามารถที่จะนูนปัญญาของเราให้รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั่วไปได้เกิดนั้นะพุทธเจ้าจึงเนี้นอนพวกเราใส้ภาวนากันภาวนานี้ก็ไม่เป็นของอยากอะไรอีก เพราะไม่เลยลงทุนลงรอนอะไรแต่เธอว่าการบังคับใจของเราซึ่งมันเคยเที่ยวออกไปอยู่ทุกตานทุกสมัยทุกวันทุกเวลาเป็นของอยากหากเราไม่ตั้งใจจริงๆหากเราไม่มีสติเจ็ดจ่อจริงๆย่อ <c oughs> มรักษามไม่ได้เพราะมัอนไรถึงได้เดือร้อนเกิด น, นั้นการภาวนาอานิสงส์ พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เป็นอ น, นิสงส์มากที่สุดแม่จะเยียกเย็นลงไปสงบลงไปตัวการชั่วสมัยรายะเวลาจะสั้นทิดย์นิดหน่อยกว่าตามเรามีอ น, นิสงส์เมื่อการทช้ทานรักษาศีลพิภูนขึ้นไปอีกเกิดนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราจะทําบําเพ็ญกัน การภาวนาเราจะกำหนดลมหายใจของเราการเข้าการออกทุกระยะทุกเวลาไม่เหยื่อสติเข้าพุทออกโทรบาลิซัมอย่างนั้นก็ได้หรือจะหรื้จะกการเข้าการออกเท่า น, นั้นก็ได้เราจะภาวนาอะไรตั้งสติจริงๆงจังๆลงใส่ในการภาวนาของตน มีการภาวนาเพื่อฝึกผลให้จิตสงบถ้าหาจิตยังไม่สงบได้การที่เจรนาอันอืนไปไม่ต้อส ง, งสัยว่าจะรู้จะถอดจะถ อ, อนอุปาทานหาจิตของเราสงบลงไปได้การที่เจรนาอันอิ่มก็แยบถ่ายถ อ, ถอนได้เศรษฐนั้นสมาธิหรือการภาวนาจึงเป็นของคํามคัญสําหรับจิตใจของเ เราชาวท่านทุกคนจะต้องอบรมให้เกิดเธอเป็นสินง <c oughs> เราจะไปฝึกเอาการใดเวลาใดจิตใจของเราทางหากไม่ฝึกเวลานี้ด้วยตามนี้ซึ่งไม่มีสิตหยุ่การใดจึงมายุ่งตายุย่งใจของเราที่ก็สงบ เย็นเย็นไม่มีอะไรมาก่อควรนอกจากวิเวตปัญหาซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราแถวนั้นจะก่อควรเราอันอื่นมันสงบไปหมดเหลือแต่จิตของเราแถานั้นเมื่อหยิจิตของเรามันแตกไปสู่กระแส อ, อะไรต่องผูกหรือดึงมันไว้ตามตั้งสติเกิดต่อลงไปนั่นแหละ จะเห็นเรื่องกระแสะของจิตออกไปสู่อารมณ์อันอืน่นการส่งกระแสจิตไปสู่อารมณ์อันอืน่นเราส่งมาแล้วเราคิดมาแล้วปรงมาแล้วในระหว่าดกี่กี่ี่เดือนได้รับความเยียดเดยินเป็นสอย่างไรการบังคับใจของเราถึงจะอยากลําบากในการบังคับบังสังไม่ให้มันไปตามเรื่องของที่เด็ดกันหาออารมสองมันก็เมื่อหากเ้าทำได้ เราเกิดได้รับความสุขความสบายแตกจากธรรมดางเกิดนั้นท่านผู้ที่ยั่งยืนขาบอนอยู่ในสาสนาต้องอาศัยเรื่องของจิตถือที่นี้พิจารณาหรือตึกฝนอบรมทำจินทำจังเป็นึงอนิสงคือความสงบกเกิดขึ้นพิจารณาอันอืน่นก็เห็นชัดเกินไปด้วยเพราะจิตของท่านปกติ ไมมีอารมณ์สัญญามาแฝงจิตใจในขณะที่จิตงสงบลงไปทำเพื่อาได้กําลังหากเราไม่ทำจริงทำจังเรื่องของความสงบ ก, ก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่าไปสงสยัยว่าชาตินี้เราทําพอเป็นอุปนิสยัยชาตมหน้าเราจะทําใหม่เพิ่มเติมกันขึ้นเรายังไม่แน่นอนสติของเราเราจะรู้ได้ไหมว่าเราตาย ลงไปจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือจะไปเกิดเป็นอะไรเมื่อเราไม่แน่ใจอย่างนั้นเรานม่ควรขับบันสะการพุ่เราจะต้องไปทำชาติโนนชาตินีน้ทํากรรมเยนนี้แหละเห้เห็นไปจักหากเราไม่จริงในชาตินี้ชาตนาเราจะเอาขอจริงมาจากไหนการทําจริงยอบเกิดเหนผลจริงขึ้นการทำในจริงผลจริ ง, ง, จ, ร ง, ง, จ, รงจะเกิดขึ้นแต่เรายอมเป็นไปไม่ได้ ปลูกหยุปลูใจทของเราฝังตักแน่นลงไปในตามบริกรรมหรือจะอกําหนดลมก่อนตั้งใจกําหนดจริงจรงจริงจริงจนถึงเห็นอนิสงส์อย่อยอยอยาไปสงสัยว่าเราทําอย่างนี้มันยากเอาทําบทอื่นมาบริกรมม ร, กรมหรือที่เจริญงานอื่นมันสะดวกสบายเดยปล่อยเกี่ยงตามกระท h à n ้ของตนไปจับอันอื่นเสียเมื่อไปจับอันอื่นอย่าง ไ, ไม่ได้ เสระยะเวลาแค่ไหนสงสัยไปจับอันอื่นอีกมาบริกรรมหรือมาที่จเจริญแมเลยอันนี้ก็ไม่เศษอัน น, นู้นก็ไม่เป็นผลโยนทิ่งเรื่ยไปเลยไม่ได้อะไรหากเราตัดจิตปัดใจลงไปจรงิงจังตางกมกระทำไม่ว่าการบริกรรมบทใดหรือกำหนดยมหายใจสต่งจะต้องลงรวมได้เหมือนกันกับเราตัดไห ไม้ถึงจะต้นใหญ่กระชายตอต่ า, ต า, างถ้าหากเราตัดไม่หยุดไม่ถอยเส้นไม้ที่ใหญ่โตและโหดฐานย่อมขาดได้เมื่อมันขาดมันจะตั้งโดยอยู่ไม่ได้เส้นไม้มจะต้องล้มลงสู่แผ่นดินผลใดจิตใจของเราเมื่อกำหนดทำเตียงควาบอริบูรมันจะต้องไร้เหนือยล่ อ, อนไม่ได้จะต้องรวมลงไปสู่ภาวะได้เหมือนกัน เกิดนั้นอย่าไปเป็นคนลังเลยตั้งจิตตั้งใจทำจริงจรงจังเมื่อคิตของเราลงได้ทรั้งหนึ่งหรือห้นหนึ่งแล้วต่อไปในทางท้างห น, น้เราจะเห็นอั น, นิสงเราทำขนาดนั้นจึงเห็นผลปจากษ์ขึ้นมาอย่างนั้นเรามีช่องทางที่จะปฏิบัติให้เกิดให้เป็นต่อไปได้นี่เราไม่มีช่องทาง เราเราไมจะทําบําเพ็ญเอาจริงเอาจังการภาวนาแั่นจังหวัดเป็นยอดของบุญพระพทธเจ้าหรืออริยสาวกทั่วไปจะต้องอาศัยตามภาวนาเท่านั้นที่จะดับที่เหนือกันแห่ออกจากตายรายจาและน้ำใจของขันดาการอื่นไม่มีทางที่จะทำลายสายแสงตายรายจาและน้ำใจให้เป็นไปเถอะทางบอริสุดได้ภาวนาจึงเป็นยอด ของมุญของสุ้สนควานจิตท่านใจต้องตปนให้เยือกเย็นยิ่งเหลืตัญหาถึงมันมีอยู่ในใจของเราข้างเหราไม่อาศัยการภาวนาเลวเราจะถอดถอนที่เหลือตัญหาด้วยจิงอื่นถอดถอนไม่ได้ต้องอาศัยใจของเรามีกําลังที่มีจิตเอาเห็นโทษจริงจังจึงจะขอดถอนขึ้น เกิด น, นั้นตามภาวนาจึงเป็นของสำคัญทุกท่านทุกคนเมื่อได้สละจิตามด้านเดือนมาสู่วัดตาอาวัอุต่าพยายามรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาในตามเวลาทิตเปนแบบเามาอย่าไปคีดว่าตามอื่นเวลาอืน่นจึงจะต้อทำการนี้เวลานี้แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องไะทำบำเพ็ญเิดให้คก ส่ในตัวของเราพวามชีวิตของเราทางเหงไม่มีทายว่าแนแล้วเป็นชีวิตที่ไม่มีสาระประโยชน์เพราะเราไม่เห็นเรื่องสาราประโยชน์เกิดขึ้นจากใจของเราสิ่งอื่นที่เราถือว่าเป็นสาระประโยชน์เลยไ ม, ม่เป็นประโยชน์ครับ ใจของเราฐานหลักใจจึงเป็นของสำคัญหากผู้ปฏิบัติใจได้ถึงท่ mm. านที่ดีแล้วสมบัติอันอื่นจะน ม, มาาีเม่าเม่าใจฟองกับเท่าไรก็ต่างท่านก็ยอมไม่ผิดห้องเพราจิตใจของท่านเป็นของประเสริฐดีเสิดยิ่งก่าสมบัติอันอื่นถ้าหาปฏิบัติใจไม่ได้ล่ะอันอื่นมันคล่องไปหมด ความจริงมีใจของเราเท่านั้นคผิดไปผิดไปห่องควนอื่นเข้ามาผิดในห่องกับเราหลายนายหยดสวนบางเรียนส้มบัตรพักสถานทั่วไปเขาไม่มีความเหมือยอะไรตลอดถึงตายของเราเมื่อที่เจรนาจรจังแล้วเรื่องของตายก็อย่างเราว่าเอาเพราะไม่ได้ว่าเขาเป็นหัวเป็นตาเป็นแขนเป็นขาเป็นตาเป็นจหมูก ถ้าเราไปว่าเอาถ้าเราไม่ว่าเขาก็ไม่เสี ย, ยใจเราว่าเขาก็ไม่ดีใจเขาเป็นข้องกลางอยู่อย่างนั้นใจใจของเราไม่เป็นกลางเราไปเห็นสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าจะเป็นของของดีขึ้นถ้าหาฝูดถึง ค, คุณค่าเดาไปจิตสัญญาอารมณ์ภายนอกไปจิตสมมติมเจมถอนตัวไมอ่ออกถ้าหาจิต ของเราที่นี้พิจารณาจริงจังจิตของเราปกติเขา ก, ก็ปกติอยู่เขาเป็นไปตามหน้าที่ของเขาเกิดมาแล้วหน้าที่ต้องเขาแปลปวนเขาก็แปลปวนไปใครจะมีอำ น, นาจบาดเจะนะ็บนะบังคับบัญชาใม่เห็เขาแปลปวนเขาก็าแปลปวนไปตามเรื่องของเขาเกิดนั่นเท่ากับทีเจ้าจริงบอกฝาเรื่องอำนัจตา่างใครเห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้ เมื่อจิตของเราเห็นตามเป็นจริงจิตของเราปกติจริงอื่นปกติจิตของเราเห็นตามเป็นจริงจริงเหล่านี้ก็ไม่หนีจากความจริงไปได้เขาจะเป็นไปตามทำไมชาติของเขาอยู่อย่างเศรอย่างเดิมแต่เราไม่หลงตามเขาใจของเราจึงเหยียดเยินใจของเราจึงสบายไม่เป็นภัยอันตรายเห็นอะไรก็เป็นจริงใหญ่นั้นเพราะจิตของเราจริงจิตของเราไม่จริงเห็นอะไรปลอกเงวงไปหมด พระจะขวางหลอกลวงจะขวางืา่นไม่ใช่คนอื่นมาหลอกลวงพระพุทเจ้าจ่ายจึงสอนคอยเห็นจริงคอยเห็นจริงคอยเข้าใจจริงในสิ่งที่ควร่ารู้จะเข้าใจอย่าไปสงสัยลังเลว่าชาตินี้เราไม่มีวัสนะเราอาพับถ้าอาพับทำไมเราจริงแด้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้า หรืออาาริยะเจ้าทั่วไปท่านเกิดเป็นอะไรท่านจึงเป็นผู้จิบวิสุทธิ์ได้เราทําไมจึงจะเป็นคนอาคภัพคนเดียวเราที่อาคภัพก็คือเราเองแต่ทาบำเพ็ญให้เกิดให้เป็นเพียงนั่นเองถ้าหากเรากระทาบำเพ็ญมันจมีวิญญาณใสไปในดาษเพราะเหตุใดเพราะเรามีอวัยวะร่างกายจิตใจเหมือนกันกับท่านผู้จิบวิสุทธิ์นี่เราเหมาตัวเองมีตน ตายก่อนไข่ก็ว่าในตั้งใจไปพูดไปตีแบบเราเมาตัวว่าเป็นผู้ที่อาพักในมีบุญวากันนะที่สร้างบารมียังไม่เพียงพออความเข้าใจของเราเมาตัวของเราเองใครมาพูดให้เรานอกจากเราพูดเอาเองในมีบุคคลผู้อื่นมาพูดให้ความเมาตัวอย่างนั้นเนี่ยเป็นทางที่จะทำให้เรา ใน่ล้าหาในการจะทําคุณงามความดีให้เป็นให้ไปถ้าหากและลึกได้แบบผู้ทุกคนนี่แหละคนหนานี่แหละจะเป็นผู้ที่ชำระสะสารเรื่องของหนาให้บางไปได้จะกลายเป็นอริยะชนคือคนหยิบคนดีต่อไปถ้าหาก เป็นมนุษย์อย่างเราไม่สามารถที่จะจะ ท, ำำทําบําเพ็ญคุณงามความดีได้ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่นี้สอนไว้ก็จะเป็นโมฆะไม่เป็นสาระประโยชน์สอนเทีย่ยวตาวี่ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนบุคคลไม่ได้สอนยยสนัตว์ปีศาจเราก็เป็นคนคนหนึ่งสามารถที่จะจะทำบาเพ็ญให้เกิดให้เพนให้เห็น อย่างถ้าเลี้ยเจ้าได้ถ้าหากเราจะทำบำเพ็ญจริงจริงจงๆเราต้องตัดทิ้งใจจะทำบำเพ็ญจริงจริงจงแจงเราจะไปคิดว่าเราบุญน้อยละไรชนะน้อยการไม่แต่ทำไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะให้เกิดเอิงเจนเอิงเจนไปไม่วด้ถ้าจะทำแล้วไม่เหลี้ยวิสัยทุกคนยอมได้ ไม่ไมากก็น้อยตามกำลังตามกระทํามของตนเหตดนั้นวันนี้การที่พวกเราได้มาไปชุมกันไหว้ท้าสวดมนต์และอบรมด้านจิต ด, ด้านใจก็ให้พากันกำหนดจดจำเอาไว้อบรมเป็นต่อไป